วิถีมีสองอย่างคือนามวิถีและก็โรควิถีในนามวิถีเนี่ยในที่เนี้ที่ท่านจัดเขาไว้ในนามวิถีแบ่งเป็นปัญจทวารวิถีแล้วก็มโนทวารวิถีถ้าปัญจทวารวิถีก็มีจักขุทวารวิถีโสตทวารวิถีคาณาทวารวิถีชิวหาทวารวิถีกายะทวารวิถีเออในที่นี้นะถ้าไปดูในหลัก มีเรียกชื่อไว้สองเย่อย่างเรียกจากขู่วิญญาณนวิถีกับจากขู่ทวารวิถีเวลาเรียกอะถ้าจากขู่ทวารวิถีเนี่ยเป็นการกล่าวถึงการเกิดขึ้นของวิถีจิตในจากขูทวารเนี่ยจิต46เจตสิกห้เว้นอัปปมัญญาสองนั่นแหละโสตทวารวิถีก็เอาจิต46่สิบหกนั่นมากล่าวแต่ต่อไปเดียวจะขยายให้ดูว่ามันมีจุดต่าง แต่บางแห่งท่านเรียกว่าเป็นจักขูวิญญาณวิถีด้วยโซตาวิญญาณวิถีคานาวิญญาณวิถีชิวหากายยะวิญญาณวิถีนั้นเป็นปัญจทวารวิถีส่วนมโนทวารวิถีนั้นมี2อย่างคือกามชวนะมโนทวารวิถีกับอัปปนาชานะมโนทวารวิถีถ้าโดยสรุปก็คือว่ามีโลกียะแล้วก็เป็นวิถีที่เป็นโลกียะแล้วก็วิถีที่เป็น โลกุตาละนั่นเองถ้าถามบอกว่าเอ๊ะวิธีที่จะศึกษากันในที่เนี้ยถามว่านามเป็นวิธีได้ถามว่าใช่ไหมบอกใช่นามเนี่ยเป็นวิธีได้อ่าแล้วรูปหรืเป็นวิธีได้ไหมบอกเป็นได้เป็นได้โดยฐานะอะไรบอกเป็นได้โดยฐานะเป็นรูปสับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดก็จะเห็นว่าเป็นได้โดยโดยฐานะเป็นรูปสับนั้นเป็นยังไงเพราะว่า เี่ยวกนในเรื่องของนามนี่มีการเกิดดับใช่ไหมการเกิดขึ้นติดต่อกันโดยลำดับเนี่ยจิตและเจแะสิกเนี่ยนามรับอารมณ์ได้รูปเนี่ยเกิดดับเหมือนกันแต่รูปรับอารมณ์ไม่ได้นี่เป็นอย่างนั้นนั่นคือจุดเดียวจะไปดูรายละเอียดจุดต่างอีกทีแต่ตรงนี้ให้ให้รู้ตรงนี้บอกว่าในการศึกษาในเรื่องของวิถีเนี่ย ถ้าในจักรคูทวารลวิถีโสตทวารลวิถีขาณทวารลวิถีชิวหาทวารลวิถีและกายัทวารลวิถีเนี่ยนะเป็นอติมหันตารลมก็มีเป็นมหันตารมก็มีเป็นปริตารมก็มีเป็นอติปริตารมก็มีโดยสรุปก็คือว่าจักรคูทวารลวิถีที่เป็นอติมหันตารลมก็มีนะเป็นปริตารมก็ได้เป็นอติเป็นเป็นอติปริตารมก็ได้ โสตทวารวิถีก็เป็นได้สี่คาณาทวารวิถีก็เป็นได้สี่ชิวหาทวารสีก็เป็นได้สกายะทวารวิถีก็เป็นได้สี่ที่สี่อย่างนี้เป็นยังไงคําว่าอติมหันตารมเนี่ยวิถีเนี่ยถ้าแปลแล้วก็แปลยังไงวิถีวิถีที่มีอารมณ์ที่เป็นอติมหันตารมอ่ะถ้าบอกคําว่าอติมหันตารมเขาบอกว่าอารมณ์ที่มีจิตตักขณะ มีจํานวนมากเหลือใช่ไหมเออถ้าไปดูตรงเนี้ยแต่อย่าเพิ่งไปดูในรายละเอียดนะตรงนี้เดี๋ยวเขาจะไปขยายแต่ตรงนี้ท่านให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรก่อนในตรงเนี้ยท่านต้องการให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าไปศึกษาคําว่าวิถีวิถีตรงเนี้ยลาดับแรกจริงๆไปดูคําว่าวิถีถ้าวิถีเนี่ยถ้าในวิถีนี้คําว่าวิถีเนี่ยเขาจะแปลบอกว่าความเป็นไปของจิตเจตสิก ความเป็นไปของจิตเจตสิกรูปความเป็นไปของจิตเจตสิกรู ป, เ ป, ปเป็นไปโดยลำดับั้ยบอกใช่เป็นไปโดยลำดับพ่อหมายถึงการเกิดขึ้นสืบต่อกันของจิตเจตสิกรูปนี่โดยลาดับเลยการเกิดขึ้นโดยลำดับติดต่อกันของจิตเจตสิกรูปเนี่ยชื่อวิถีอย่างเงี้ยเชื่อวิถีแต่ในที่นี้เราศึกษาในเรื่องของวิถีสังหาใช่ไหมถ้าวิถีสังหาก็หมายถึงการรวบรวม จิตเิกรูปในวิถีหรือรวบรวมสภาพวธรรมที่เกี่ยวกับวิถีลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าวิถีสังหาวิถีสังหาทีนี้ตรงนี้นะนี่เป็นอย่างนั้นท่านก็แยกเป็นสองอย่างเป็นนามวิถีอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นรูปวิถีอย่างหนึ่งอทีนี้ตามไปดูในหน้าที่สองถ้าตามไปดูที่หน้าที่สองเนี่ยท่านว่าวิถีสังหานี้มีฉักกาอยู่หกอย่างในฉักกาอยู่หกอย่างเนี่ยนะ ฉากะมแปลว่าหวัตถุฉากะคือวัตถุหกพอไปดูวัตถุฉากาวัตถุหกจักขูวัตถุท่านต้องใช้จับองค์ธรรมมาด้วยนะว่าองค์ธรรมได้แก่อะไรจักขูวัตถุองค์ธรรมได้แก่จักขูภาษาตรงเนี้ไล่ไปในหลักสูตรมีโสตวัตถุองค์ธรรมได้แก่โสตภาษาคานวัตถุก็ได้แก่คานาภาสาชิวหาวัตถุก็คือชิวหาภาสากายวัตถุก็คือกายาภาษาหัยวัตถุก็คือ หากะยรูปลองไล่ไปตามลำดับดูทีไล่องธรรมถูกมั้ยองไล่องธรรมดูทีมั้ยโสตวิญญาณองธรรมได้แก่โสตวิญญาณนจิตสองคานวิญญาณได้องธรรมได้แก่ชิวหาวิญญาณองธรรมได้แก่ องรมได้แก่วิธีชักดาองทมได้แก่อะไรไคือความเป็นไปของจิตเจตรศิกที่เกิดขึ้นทางตาองทมได้แก่ จิต 46, จสีเจตสิทธิเว้นอัปมัญญาเจตสิทธสองโสตทวารลวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิทที่เกิดขึ้นทางหูองค์ธรรมได้แก่จิต46่กเจตสิทธิหเว้นอัปมัญญาเจตสิทธิองคานทวาระวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิทที่เกิดขึ้นทางจมูกองค์ธรรมได้แก่จิตสี เจตสิกห้สิบเว้นอปมัญญาเจตสิกสองชิวหาทวารวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นทางลิ้นองค์ทำได้แก่จิตส6ิกเจตสิกห้เว้นอปมัญญาเจตสิกสองกายทวารวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นทางกายองค์ทำได้แก่กามจิต46 เจตสิกห้เว้นอปมัญญาเจตสิกสองมโ น, มโนทวาราวิถีคือความเป็นไปของจิตเจตสิกที่เกิดขึ้นทางใจองค์ธรรมได้แก่จดห67เจตสิกห2เว้ น, 52, <ม>นทวิปัญจวิญญาณเจ 10, ็ดสมโนธาตุสาและมหาขตาวิบากเกทีนี้มโนธาตุสามเกิดขึ้นทางปัญญาเท่านั้นนะเอาต่อไปวิญญาณนะ วิญญาณหกนึ่งจากขูวิญญาณนวิถีคือความเป็นไปของจิตเจสิกที่ยกจากวิญญาณขึ้นเป็นประธาน 2. อโสตถวารโสตวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตและเจสิกที่ยกโสตวิญญาณขึ้นเป็นประธาน 3. าคานวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตเจสิกที่ยกคานวิญญาณขึ้นเป็นประธาน สี่ชิวหาวิญญาณวิถีความเป็นไปของจิตแจดสิกที่ยกชิวหาวิญญาณขึ้นเป็นประธาน 5. กายยะวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตแจดสิกที่ยกกายยะวิญญาณขึ้นเป็นประธาน 6. มโนวิญญาณวิถีคือความเป็นไปของจิตแจดสิกที่ย ก, ยกมโนวิญญาณขึ้นเป็นประธานนี่นี่เป็นอย่างนี้ ทีนี้วิถีเนี่ยถ้าว่าโดยทวารก็มีหกใช่ั้ยถ้าว่าโดยวิญญาณก็มีหกนะแยกกันได้ออกตรงนั้นอต่อไปดูวิสยปวติชักกะหรืออัฏฐาอดูชักกะก่อนโดยอภิธรรมันจะสังขามีหก ค, คือหนึ่งอติมหันตารมณ์สองมหันตารมณ์สปริตารมณ์สี่ นี่ทางปัญจทวาร น, นะหวิภูตารมหกอวิภูตารมนี่ทางมาโนโทวารส่วนตามเนยยะของอัตถกถาและดีกามี8เป็นวิศยาปวติอัถคือหนึ่งอติมหันตารมสองมหันตารมสาปริตารมสี 4, อติปริตารมแค่ตรงนี้นะมีทางปัญจทวาร ไอ้ที่เขาลากุัวอักขีดเลยมาในกะีดทิ้งไปส่วนห้าอติวิภูตารมหวิภูตารมเจดอวิภูตารมแปดอติอวิภูตารมนี้ทางมโนทวารนีสี่ 4, เช่นเดียวกันทางปัญจทวารสี่และทางมโนทวารก็อีกสี่ทีนี้พอในการศึกษาตรงเนี้นะท่านบอกว่าการศึกษาในทาง ในทางวิถีสังคาะเนี่ยคำว่าวิถีสังคาะหมายถึงอะไรเนียวิถีสังคาะหมายถึงอะไรเมื่อกี้ว่าไงคำว่าสังคาะเแปลว่าอะไรการรวบรวมรวบรวมอะไรรวบรวมยังไงรวบรวมวิถีรวบรวมยังไงแปลว่าการรวบรวมจิตเจสิกในรูบวิถีก็คือการรวบรวมสภาวธรรมที่เกี่ยวกับวิถีฉะนั้นวิถีสังคาะก็คือการรวบรวมจิตเจสิกรูป หรือรวบรวมจิตเจศิษย์่าในรูปวิถีล่ะก็รวบรวมสภาวธรรมที่เกี่ยวกันกับวิถีทีนี้ถ้าหากว่าไปดูพอดีตรงนี้เดี๋ยวจะไปขยายอีกทีคำว่าวิศยะปวัวติเก่ความเป็นไปของแห่งอารมณ์เนี่ยแต่ตอนนี้อย่างแต่ให้รู้ก่อนว่าอะไรเป็นอะไรถ้าถามบอกว่าในปริเฉดที่สี่เนี่ยทำไมจึงเอาจักขุวัตถุ วัตถุหทวารหอารมณ์หกเอามาแสดงอีกไงทั้งๆที่แสดงแล้วในปริเชตที่สามก็ต้องบอกว่าสําคัญ น, นั่นเองสำคัญมากพระอนุรุทธาจารย์จึงได้นํามาแสดงในปริเชตที่สี่อีกครั้งหนึ่งนะตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดให้เรานั่นไปกันเลยกันเอาต่อไปไปดูอนุสนทิและปฏิญญาเลยเอาวาคาถาหน่อยสิวาคาถาอนุสนทิและประิญญาในในนั้นแหละดูในหน้าสาม หน้าสามของชีดนะดูเปิดไปอีกหน้าในคาถาแรกเนี่ยนะอนุสนธิและปฏิญญาเนี่ยมีอยู่สอ ง, สองขคาถาคือจิตตุปาทานมิจเจวังกตวาสังขหมุตตรังภูมิปุครัตเพเทนะปุกพาปรานยามีตังนี้เป็นคาถาที่1นอันนี้เป็นคาถาที่1ส่วนคาถาที่2ก็คือประวัติสังขหงังนามปฏิสันทิประวัติยัง เว่าขามิสมาเสเนยถาสัมผวโ่โตกถังโดยความหมายแปลความว่าข้าพรเจ้าได้รจนาปกินอากาศสังหาของจิตและเจดสิกปกินอากาศสังหาของจิตและเจดสิกอันเป็นสังขารที่สําคัญยิ่งโดยในที่ได้กล่าวมาแล้วในปริเฉดที่3ในปริเฉดที่3ชื่อว่าปกินอากาศสังหาที่ว่าในเรื่องของเวทนาเหตุกิถวานารมณ์และก็วัตถุทีนี้จักแสดงสังขารที่ชื่อว่าประวติ ท่านแปลด้วยแนวะท่านบอกคือความเป็นไปแห่งจิตเจตสิกในปฏิสนธิการและประวัติการฉะนั้นคําว่าประวัติเนี่ยคาว่าความเป็นไปเนี่ยในที่นั้นก็ไปตรงกับคำว่าความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะนั่นแหละคือความเป็นไปของจิตเจตสิกนั่นเองทั้งในปฏิสนธิการทั้งในประวัติการโดยไม่ขาดสายนั่นแหะเรียกประวัติอันเป็นสังขารที่กําหนดระบุถึงจิตที่เกิดก่อนและจิตที่เกิดหลังเข้ามาว่า อย่างยกตัวอย่างเช่นว่าถ้านับปฏิสนธิในภพนี้ก็แปลว่าเป็นปฏิสนธินี่เป็นจิตที่เกิดก่อนใช่ไหมหลังจากปฏิสนธิจิตเป็นต้นไปปฐมพวังเป็นต้นจนถึงจุติจิตเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจิตที่เกิดหลังในภพนั้นๆั้นก็ก็ให้เข้าใจอย่างนั้นพร้อมทั้งประเภทแห่งภูมิและบุคคลตามสมควรที่จะเป็นไปได้โดยโย่อก็คือบอกว่าต่อไปจะไปจําแนกด้วยนะ พอยกจิตขึ้นมายกแยตสิกขึ้นมายกวิถีขึ้นมาเนี่ยก็จะถามด้วยว่าจิตนี้วิถีนี้เกิดในภูมิไหนและเกิดแก่บุคคลไหนได้บ้างแบบ น, นี้ลักษณะอย่างนี้คือท่านต้องการอยากจะให้ทราบว่าถ้าจิตประเภทนี้จะเกิดขึ้นกับใครได้บ้างและจะเกิดได้ในขอบเขตของภูมิไหนภูมิไหนตามสมควรเนี่ยสำหรับการประแวะแสดงประวัติสังคหะแห่งจิต เกษิกโดยย่ออย่างไรมีดังนี้ไอ้หมายความมีดังนี้ก็หมายความว่าชาววัตถุนี้เป็นต้นไปก็เริ่มคถาที่สองไปนั้นท่านเรียกว่าแสดงตามเนยยะของอภิธรรมมัทธสังคาหานะเป็นการแสดงแบบย่อเนะอภิธรรมมัทธสังคหานยิย่อแต่พวกเราที่ที่เอามาศึกษากันแล้วเข้าใจเนี่ยเพราะเอาในวิภาวนีดีกาบ้างแล้วก็ในอัตสาลี น, นในคัมภีร์อื่นๆ มาเกี่ยวโยงมาเชื่อมโยงมาทําความเข้าใจนะถ้าไปดูในอริธรรมมาตธสังหารล้วนๆนี่โอ<ม>้ยอยากอยากมาไม่เข้าใจเลยอะหรือถ้าจะเข้าใจก็น้อยมากต้องคนมีภูมิเป็นอย่างดีเลยทีเดียวถ้าลองไปดูในอริธรรมมาทสังหาพร้อมด้วยคําแปลดูดิเนี่ยอ่านแค่คาถาคาถาพร้อมทั้งคําแปลแค่นี้ยนั่นแหละคือจบแล้วอริธรรมมาตธสังขาทั้งหมดมีกี่คาถาหกสิบเท่าไหร่หกสิบห้าประมาณนั้น ถ้าจําไม่ผิดนะไม่เคยดูอยู่เลยประมาณนั้นแหละทีนี้เอาในคาถานี้โดยสรุปประเด็นหน่อยในคาถานี้นะหนึ่งอนุสนทิในคาถาอนุสนทิกับคาถาปฏิญญานี่ต่างกันอนุสสนทินี่เป็นคาถาที่หนึ่งเป็นการแสดงการสืบต่อกันระหว่างปริเชตที่สามกับปริเชตที่สี่อันนี้เป็นคาถาแรกสังเกตดูไหมคําอนุสนทิคือการสืบต่อกันนะ เอาปริเชษสามสี่นะมาเชื่อมสืบต่อกันจากปริเชษที่สามฉะนั้นคําว่าจิตตุ ป, ปาทางอานมิเจวงังกตะวาสังหามุตระังภูมิปุกะระเพยทนะกุภาปรณียามิต่างนั้นอันนั้นเป็นการพูดถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างปริเชษที่สามกับปริเชษที่สี่นั้นเรียกว่าอนุสนุนติส่วนคาถาที่สองนี้เป็นปติญญาคาถาที่สองนี้ปติญญาเนีคือ ตั้งแต่ประวัติสังคหานามาเป็นต้นนะปฏิญญาว่าจะแต่งประวัติสังคหาหรือวิถีสังคหาเรียกได้สองชื่อประวัติสังหากับวิถีสังคหาคือปฏิญญาตั้งใจว่าจะแต่งปากกอ น, นี้จะแต่งคัมภีร์นี้นี่เป็นคําปฏิญญาของใครของพระนุรุทธาจารย์เนะบงคลไปบอกว่าเป็นคําปฏิญญาของท่านอาจารย์สัทธรรมเมชโธติกามองเห็นไหมเนี่ย เป็นคำปฏิญญาของพรนธุรุตทีนี้ในอภิธรรมปฏิเจตที่4เนี่ยมีชื่ออยู่สองชื่อชื่อที่เรียกเนี่ยนะหนึ่งวิถีสังขารสองประวัติสังขารเรียกสองชื่อนี้ถ้าวิถีสังขารก็แปลว่าการรวบรวมจิตเจตสิกในรูปวิถีคือรวบรวมสภาวัธรรมที่เกี่ยวกับกับวิถีนั่นเองนั่นแหะคือวิถีสังขารถ้าประวัติสังคารแหละความเป็นไปแปลว่าการรวบรวมความเป็นไปของวิถีจิต Euh, หรือไอ้ค ay, ああําว่าความเป็นไปนั่นคือเป็นไปอย่างไรคือความเป็นไปของการเกิดขึ้นของการตั้งอยู่ของการดับไปของวิถีจิตนั่นเองนั่นแหละเขาเรียกความเป็นไปคืออย่างนี้จุดการเน้นเนี่ยความเป็นไปของจิตเยสิกในปฏิสนธิการกับในประวัติการอย่างนี้เขาเรียกความเป็นไปเช่นถ้าหากว่าในปฏิสนธิการนั้นความเป็นไปของจิตเป็นยังไง เช่นปฏิสนธิของอบายาสัตว์อย่างนี้อย่างงี้ง น, นะปฏิสนธิของพวกมนุษย์ของเทวดาของพรหมของอรูปภพเห็นไหมความเป็นไปของเขาเป็นอย่างนี้เกี่ยวข้องกันกับบุคคลอย่างนี้อยู่ในภูมิอย่างนี้อย่างนี้รับอารมณ์อย่างนี้ความเป็นไปของเขาลักษณะเช่นนี้และภายในประวัติการจริงๆเขามีชื่อเรียกสองอย่างแต่ว่าโดยสรุปก็คือความเป็นไปคือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไป สืบต่อกันโดยไม่ขาดสายนั่นเองของของวิถีจิตแต่ว่าเป็นการรวบรวมความเป็นไปของเขาใช่ไหมถามว่าจุดต่างต่างยังไงถามว่าวิถีสังฆะเขาบอกว่าก็ต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องบอกว่าจุดต่างหรือไม่ต่างดูตรงไหนดูว่าอภิธรรมมัสังหะในปริเฉดที่สี่นี้มีชื่อเรียกอยู่สองอย่างมองเห็นไหมชื่อเขานี่มีเรียกอยู่สองอย่างเรียกวิถีสังหะก็เรียกว่าประวัติสังหะ ถามถ้าดูอย่างนี้ถามว่าเราจะรู้ว่าเอ๊ะมันต่างยังไงถ้าบอกว่ารวบรวมจิตเจตสิกกับรวบรวมความเป็นไปเนี่ยเราจะดูต่างยังไงเห็นไหมโดยอัจต่างไหยอาจโดยอัจต่างหรืไม่ต่างโดยพยัญชนะนั้นต่างนิดหน่อยทีนี้คําว่าวิถีถ้าภาษาไทยก็ก็เรียกว่าสายแปลว่าแถวแปลว่าแนวแปลว่าถนนแปลว่าอะไรเยอะแย ะ, ยะหมดวิถีใช่ไหมแต่ถ้าภาษาบาลีนะ ทีบ่บาลีเนี่ยมาจะคำว่าอะไรวิถีหรือวีถีวิถีฮะวีถีนะต้องเรียกว่าวีถีหมายถึงการเกิดขึ้นสืบต่อกันของของอะไรของจิตของเจตสิกแล้วก็รูปด้วยนะวิถีเนี่ยนะอันนี้ตามเฉลยเขาเป๊ะเลยเนี่ยสังข า, าก็แปลว่ารวบรวมปวัตติก็แปลวความเป็นไปความเป็นไปในที่นั้นคือการเกิดขึ้นคือการตั้งอยู่และการดับไปนะทีนี้ถ้าถามบอกว่าที่จริง ในการศึกษาเนี่ยบว่าวิถีหมายความว่าอ ย, ย่างไรเนี่ยถ้าก็ถามเนี่ยวิถีก็หมายความว่าการเกิดขึ้นติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจสิกรูปชื่อว่าวิถีประมาคําตอบเหมือนก็าตอบันเนี้ยการเกิดขึ้นโดยลําดับติดต่อกันเป็นแถวของจิตเจสิกรูปชื่อว่าวิถีถามถามว่าในปรมัตถธรรมทั้งสมีอะไรเป็นวิถีได้บอกจิตเจสิกรูปเป็นวิถีได้อะไรเป็นวิถีไม่ได้นิพพานเป็นวิถีไม่ได้ทีนี้คําว่าวิถีจิตนี่นหะ คำว่าวิถีจิตนี่นะจิตที่เป็นวิถีจิตมีกี่ดวงอะไรตัวนี้ยในจํานวนแปดสิบเก้าหรือร้อยยี่สบเอ็ดเนี่ ย, นนยที่เป็นวิถีจิตได้มีกี่ดวงนับแล้วนับอีกด้วยนะบอกมีแปดสิบดวงเว้นอะไรเว้นมหาคตาวิบากใช่ไหมแท้จริงก็คือเว้นวิถีมุตตจิตเสียสิบเก้าดวงนั่นแหละเป็นเอกราชเตาเส้าเป็นอนเอกนกการตาเสียสิบเออย่างนี้มองเห็นไหมเนี่ย คือก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันดูบอกว่าอุเบกขาสันติรณะจิตสองมหายบาปแปดในสิบดวงเนี่ยเป็นวิถีจิตก็ได้เป็นวิถีมุตตจิตก็ได้อยู่ที่กิจที่เขาทำถ้าหากเขาไปทำหน้าที่ผวังคจิตเขาก็เป็นวิถีมุตตจิตหรือในขณะที่เขาทำหน้าที่จุติและปฏิสนธิอย่างเงี้ยเขาก็พ้นจากทวานอยู่แล้ว ถ้าทําหน้าที่รวังก็เป็นตัวมโนทวานอยู่แล้วก็<ๆ>ไม่ได้เป็นวิถีจิตแต่อย่างใดแต่ถ้าถามบอกว่าถ้าจะไม่นับเขาก็ไม่ได้อีกเพราะในขณะที่เขาทําหน้าที่สันติรณะก็มีแตทา ร, รัมนะก็มีเนี่ยเท่นั้นก็เลยต้องนับเป็นแ80ดสิบถ้าบอกวิถีจิตมีทั้งหมดเท่าไรบอกแปดสิบเว้นอะไรบอกเว้น19บเ้าตอนเวน้นเว้นสิบเก้าด้วยนะบอกเอ๊ะไปเว้นยังไงเว้น19บเ้าทำไมถึงเหลือแปดสิบก็เว้นในฐานหน้าที่เขาเป็นเอกันตากับอเนกันต่างน ที่เว้นถาวรแน่นอนก็คือมหาขตาวิบากเก้าถ้าเว้นไม่แน่นอนก็คือสิบดวงนีงง่งเว้นในถ้าตอนที่เขาเป็นพวังแต่ตอนเป็นสันติรณนากับตถาไม่ได้เว้นจึงเป็นนับไปนับมาก็เลยเหลือแปดสิบวิถีจิตก็เลยได้แปดฮะไม่ได้หรมมืนอนใช่รวมไม่แน่นอนด้วยเจ็ดสิบห้าสองเป็นวิถีได้ด้วยนะวิถีมุตจิตสิบเก้าที่นอกจากวิถี เจตสิกสาห้าประกอบเป็นวิถีไม่ได้นะล้วก็ต้องบอกนี้ถ้าเขียนบันทึกลงไปต้องเขียนยังไงบอกผวังกสจิต 19, จสิบเกเจตสิกที่ประกอบสามสิบห้าในขณะทําหน้าที่ผวังเหล่านั้นน่ยเป็นวิถีไม่ได้ต้องบอกงั้นเป็นวิถีไม่ได้โรคยี่แปดเป็นวิถีได้เป็นได้แบบไหนเป็นได้โดยอนุโลมอนุโลมตามอะไรบอกอนุโลมตามวิถีจิต นิพานก็เป็นวิถีไม่ได้ต้องบอกรูปเป็นวิถีเนี่ยเป็นแบบอนุโลมนะว่าเงั้นนะถ้ารูปก็คือว่าจิตเจสืกรูปเนี่ยเป็นวิถีได้นิพานนั้นเป็นวิถีไม่ได้เนี่ยก็แยกกันอย่างนั้นเส้อทีนี้คําว่ารูปเนี่ยเป็นวิถีได้นั้นน่ะเออเป็นความเห็นของอาจารย์โชนะน่าจําไว้เนะพออาจารย์สัทธธรมโชติกะเนี่ยแท้จริงเนี่ยคําว่ารูปเนี่ยเป็นวิถีได้เป็นเพียงรูปสั์คือธรรมดาในรูปเนี่ยมีการเกิดมีการตั้งแล้วก็มีการดับคือ ไม่ขาดสายเหมือนกันวิถีนามรับอารมณ์ได้แล้วก็รับช่วงติดต่อกันจนหมดอายุของรูปหรือของนามตามลำดับของวิถีใช่ไมส่วนวิถีรูปเนี่ยรับอารมณ์ไม่ได้เพียงแต่เกิดขึ้นติดต่อกันเป็นแถวคล้ายกันกับวิถีจิตท่านั้นนี่โดยโดยความเข้าใจเป็นอย่างนี้เพลในยุคเมื่อประมาณสองพันห้าร้อยหกยุคนั้นเราเล็กมา ก, ก น, นะยุคนั้นสองพัน้าร้อยหก สองพันรอยเจ็ดอยู่ประมาณนะั้นก็มีรักษารุ่นนั้นถามถามบอกว่าประเดี๋ยเราก็ได้ฟังสืบสืบต่อกันมาถามอาจารย์โชนะถามอาจารย์สัทธามาชโยติกาบอกว่ารูปเป็นวิถีได้นั้นเป็นอย่างไรถามว่าที่รูปเป็นวิถีได้นี่เป็นยังไงท่านบอกว่ารูปที่เป็นวิถีได้โดยเทียบกันกับวิถีจิตเทียบกันกับวิถีเจยถามบอกว่าแล้วก็แสดงไว้ในรูปปรมัตต์ปริเชศ ท, ที่หก ในประวัติตกรรมในเนะี่ยไม่ได้แสดงในวิถีสังหานี้โดยตรงฉะนั้นที่แสดงเอามาในบริเจตที่สนะี่นั้นจริงๆแล้วคือเรียนมาตั้งแต่บริเจตที่หกนั่นแล้วที่เป็นวิธีได้เพราะเป็นตรงนั้นในในประวัติสังหะคือความเป็นไปของของรูปนั่นเองใช่ไหมยังพอจำได้ไหมประออประวัติกรรมในเนะี่ยการแสดงความเป็นไปของรูปโดยลําดับเนีน่นั่นแหละเป็นวิธีได้ในบริเจตที่หกนั่นแหละ ไม่ได้ในปริเฉดที่สี่นี้แต่ในปริเฉดที่สี่นี้เอามาเรียนแล้วก็เอามาดูตามลำดับว่าเป็นวิถียังไงยังไงเกิดดับยังไงตั้งยังไงหมดไปยังไงเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรอนุมาณเอาอย่างไรในบางเรื่อง <S <S วิถีนามรับอารมณ์ได้แล้วก็รับช่วงติดต่อกันเป็นหมดอายุของอารมณ์หรือหมดอายุของของกระแสจิตนะวิถีรูปก็รับอารมณ์ไม่ได้เพียงแต่เกิดขึ้นสืบต่อกันเป็นแถวใช่ไหมจึงเป็นในลักษณะเช่นนั้น สรุปตรงนี้ก็คือว่าอนุส่วนที่นี่คือการสื่อต่อกันระหว่างปริเฉตที่สามกับปรเิเชตที่สี่ปติยาก็แปลว่าการจะแต่งวิถีสังขหหารหรือประวัติสังขารนะในประวัติสังคขานี่ยมีรวมเรื่องที่สําคัญไว้ก็คือวิถีจิตกับวิถีมุตตะจิตทีนี้คําว่าในประวัติสังหาในวิถีสังหาเนี่้นะทีนี้ในวิถีจิตกับวิถีมุตตะจิตเนี่ยนะที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจก็คือ อย่างในเรื่องของวิถีจิตวิถีมุตจิตในเรื่องของการคือปฏิสนธิการประวัติการจุติการเนี่ยนะบุคคลสิบสองภูมิสี่หรือว่าภูมิสามสิบเว้นอสัญญาศตภูมินี่ต้องไปทําความเข้าใจน ะ, ะเดี๋ยวทําความเข้าใจเรื่องปฏิสนธิก่อนเดี๋ยวเด๋ยวให้เข้าใจคําว่าการก่อนก่อนที่จะมาเรียนเรื่องปฏิสนธิเนี่ยเนะี่ยคําว่าการเนี่ยก็แปลว่าอะไรนะกาละกาละแปลว่าเวลาเนะี่ เ, ออเวลามีหลายในนียถ้าคนย้อนหลังไปตามชั้นต่างๆก็จะเห็นการ น, นี้เป็นบัญญัติไหมคําว่ากาละเนี่ยเป็นบัญญัติใช่ไหมแต่เป็นอายุของปรัมัทธธรรมเป็นบัญญัติจริงจะเป็นอายุของปรัมัทธธรรมนะคือเป็นอายุของจิตเจสิกรูปถามว่าที่ยังมีกาละยังมีการอยู่นั้นก็เพราะมีปัจจัยปรุงแต่งจิตเจสิกรูปอยู่ ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปคือความเป็นไปของนามธรรมและรูปธรรมถามว่าที่ยังมีการละยังมีการอยู่นั้นก็เพราะ ม, มีปัจจัยปรุงแต่งจิตเจตสิกรูปอยู่ถ้าไม่มีจิตเจตสิกรูปคือความเป็นไปของนามธรรมและรูปธรรมการกำหนดการเวลานั้นเน่ยกาหนดตามเงื่อนไขของชีวิตเนี่ยเงื่อนไขของชีวิตถ้าชีวิตไม่มีแล้วมันก็กาหนดไม่ได้แล้วคาว่ากาลเยลา มองเห็นไวมนี่ย้อนสุรีเพราะเป็นอายุของปรมัตธรรมมีมีมปัจจัยประชุมปุงแต่งมีกรรมมีจิตมีอุตูและมีอาหารในประชุมปุงแต่งอยู่ใช่ไหมทีนี้ปัจจัยที่บุงแต่งให้เกิดนั้นเน่นะเขาเรียกว่าเป็นกรรมบ้างจิตบ้างอุตูบ้างอาหารส่วนยิฐทานมีเป็นอาสังคตธาตุเป็นอาสังฆตรธรรม้นจากอะไร คนจาัด ก, การคนจัด ก, การเลยเพราะนั้นนิพพานยึงไม่มีในการคําว่าไม่มีการไม่มีการไม่จะเป็นปัจจุบันไม่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทีนี้นิพพานเป็นการยิ่มุดบัญญัติก็เป็นการละมุดเพราะทั้งบัญญัติเป็นการละมุตเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริง แต่นิพพานเป็นการวาิมุตเพราะเป็นธรรมที่พ้นจากการจริงๆเป็นประมะธรรมที่มีอยู่จริงแต่ไม่ขึ้นอยู่กับการแต่มันไม่มีมันไม่มีของจริงเกิดข้ปัญหาก็อย่างนี้มันต่างกันเยอะเลยถ้าบัญญัติแต่นิพพานถามว่าโลภะรับบัญญัติเป็นอารมณ์ได้ไหมทำไมไม่ได้ไหมรับได้เลย โลภะโทสะโมหะรับบัญญัติเป็นอารมณ์ก็ได้ไม่ต้องพูดถึงกุศลรธรรมแต่ว่าโลภะโทสะโมหะรับนิพพานไม่ได้ทั้งนั้นเลยบัญญัติเงินก็ยิงอย่นะี้ยมันมีจุดต่างอีกมากถ้าไปตรวจสอบพิจารณาดูอู้เยอะมากในบัญญัตินั้นกรรมก็ปรุงแต่งไม่ได้จิตก็ปรุงแต่งไม่ได้นิสตัวอุตตูอาหารปรุงแต่งไม่ได้ตัวนิพพานก็เช่นเดียวกัน แต่ที่ปรุงแต่งไม่ได้ในสภาวะของนิพพานนั้นเพราะเป็นสภาวะที่ศูนซึ่งจะกิเลสและขันห้าตัางๆต้องนี้อยู่โดยสามารถที่ไม่มีขันห้าทีนี้บัญญัติทีนี้อยู่จริงโดยการที่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนอะไรเลยเอามาบัญญัติเทียบเทียมเพื่อให้รู้ความหมายสิ่งต่างๆทีนี้คําว่าการเนี่ยนะนี้ การคืออายุของจิตเยสิกูปเนี่ยโดยกล้งกวงที่กล้อง ท, ที่รู้กันโดยทั่วไปก็คือว่าธนานพูปัจจุบันการก็แปลว่าการเฉพาะหนะ้าถ้าอดีตการก็แปลว่าการที่ผ่านมาแล้วถ้าปัจจุบัน อ, อนาคตการก็แปลว่าการยังไม่มาถึงทีนี้ถามว่าในการทั้งสามอย่างเนี่ยใช้อะไรเป็นตัวกาหนดได้เอากาหนด ชาเอาพบหรือสถานที่ใดสุดแต่ว่าเราจะพูดหรือเราจะกําหนดกันไอเรื่องการเนี่ยนะมันอยู่ที่ว่าเงื่อนไขของคนนั้นบุคคล น, นั้นนะ่ะจะพูดกันอย่างไรเช่นถ้าปัจจุบันชาติอันนี้รู้กันเลยว่านับเอาทั้งชาติเลยเป็นปัจจุบันนากาใช่ไหมหรือปีปัจจุบันเนี่ยเอาปีเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเกณฑ์เดือนปัจจุบันวันปัจจุบันขณะปัจจุบัน อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ตั้งกันขึ้นมาอีกเยอะใช่ไหมว่าอันนั้นเขาเรียกว่าเอาเขาเรียกว่าเป็นการกําหนดลินับในเรื่องของการทีนี้ถ้าการอีกอย่างหนึ่งที่เรากําลังดูกันในที่เนี้ยในหน้าสามเนี่ยอปติสันธิการประวัติการแล้วก็จุติการในนี้ยถ้าปฏิสันธิการนับยังไงในที่นี้นับเอาอุ ป, ปาทขณะ อุปาทัศขณะอย่ไหมพระจิตดวงหนึ่งมีสามขณะอุปาท่าชีตีแล้วก็พังค์ที่อุปาทัศขณะของปฏิสนที่สี่นี้นะเป็นปฏิสนธิการส่วนั้นเขาแปลว่าอะไรนะปฏิสนธิการเนี่ยเขาแปลว่าตามที่พี่ทำมาไงก็เลย่องปฏิสันทีการนี้แปลว่าอะไรการเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้คําว่าปฏิสนธิการประวัติการและประจุติการเนี่ยเป็นการเวลายาวนานเฉพาะของชีวิตของ สัดบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งเช่นว่าคนคนหนึ่งเนี่ยก็มีปฏิสนธิการมีประวัติการแล้วก็จะไปมีจุดติการในชีวิตของคนหนึ่งๆเนี่ยการสามาเป็นตัวกําหนดเป็นตัววัดเลยว่าอย่างของตาสุทัศน์เนี่ยเกิดมาแล้วปฏิสนธิการได้มาแล้วปัจจุบันนี้กําลังอยู่ในช่วงของประวัติการแล้วเดี๋ยวก็จะไปเข้าถึงจุดติการในภพหนึ่ง อย่างนี้เป็นต้นทุกคนเป็นแบบนี้หมดอย่างนี้เขาเรียกเอาชีวิตของสัตว์บุคคลนั้นๆเอาเป็นตัวกําหนดอย่างนี้เขาเรียกการส่วนปฏิสนธิการคือการเกิดโดยวิธรรมนเนยมันหมายถึงอุปาทคณะเมื่อกี้พูดถึงการบอกว่าเอาชีวิตเป็นเกณฑ์นนะแต่ถ้าตามวิธรรมอเยที่ศึกษาคืออุปาทคณะ ข, ของปฏิสนธิอันนี้คือนับในหนึ่งี่ในนี้นะนับอย่างนี้แต่บางแห่งท่านนับทั้งดวง เอาฟาธาถีตีพังคะเอาปฏิสนทธิ์ทั้งดวงเลยนับเป็นปฏิสนธิ์ามหนึ่งหนึังมีสองในนะอย่าลืมนะอภิธรรมนี่แหละนับสองในทีนีป้ประวัติการก็การเป็นไปอ่ะําว่าการเป็นไปหมายถึงประวัติการไม่ใช่การเกิดขึ้นคือนับตั้งแต่ถีตีขนาของปฏิสุทธิไปจนถึงถีตีขนาดของจุติจิตโอ้เอายาวเลยนดูลากลากเส้นดูตรงนี้อันนี้มองทีนี้ไม่ก็เห็นอ่า ดูนะดูข้างล่างอะ่ะดูข้างล่างลงไปหน่อยอุปาทัศะของปฏิสนที่จิตเป็นปฏิสนธิการแต่ถ้าถีตีขนาดของปฏิสนที่ไปจนถึงถีติขนาดของจุดจิตในพบห น, หนึ่งนั้นเป็นประวัติการก็แปลว่าการเป็นไปแต่ถ้าอีกบางแห่งบอกหนะ้าบอกว่าพัางคขนาดของจิตที่เกิดก่อนจุดจิตคือเอาเอาถีตีขณะบางแห่งก็นับเอาพังคขนาของจิต ก่อจุดติดจิ ต, จตมันเป็นอะไรเป็นตวติการไม่ได้นับถึงทีติแต่ถ้าหากจุดติการก็หมายเอาเคลื่อนจะพบเดิมหรือคือการตายเนี่ยเอามาจะพังท่าขนาดของจุดติดจิตบางแห่งก็เอาทั้งดวงเลยนะคําว่าจุดติการเนี่ยเอาทั้งอุปาทัศีติและพังค่าแต่ในนี้ที่ยืนหยัดกันอยู่นี้ก็คือเอาอุปาทขณะเอาขนาดเล็กเป็นจุด ต, ตั้งอย่างนี้คือการเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็บอกอัดทานะ สันติขณิกะแล้วก็สมัยนี่แปลว่าการได้ไหมได้ไม่ได้อัตฐานะนี่แปลว่าการยาวนานไหมไม่ได้กําหนดเช่นปฏิตด้อัตตาปัจจุปันญาอัตตาและอนาคตอ า, าอัตตาอวิชาสังขารเป็นปติไดอัตต า, าวิญญาณนามรูปสรารยตนาภาษาเวทนาเป็นปัจจุปัญญาอัตตาแล้วก็ชาติฉลามรณะอึก นีชาติชาลามวรน<ม>เป็นอนาคตะอัฏฐานลักษณะอ่นี้คือคือการแบ่งเป็นอัฏฐานการยาวนานเนี่ยแม่ก็เคยเกิดมาแล้วห้าชาติอย่างนี้ก็เป็นอัฏฐานนั่นเองใช่ไหมถ้าเราจะเรียกกันลักษณะโอ้คนค น, นี้เคยเกิดมาแล้วห้าชาติสิบชาติอันนี้เป็นอจีดาฐาส่วนสัน ต, ตีนี่หมายถึงการสืบต่อนะการสืบต่อในปัจจุบันก็จะนิยมเกี่ยวเรื่องการปฏิบัติวิปัสสนา ปัจจุบันสันติก็าว่าคณิกะเขาแปลว่าเล็กน้อยคณิกะถ้าถามว่าคณิกะแปลว่าขณะเล็กเนี่ยอุปาทขณะหรืเป็นอนุขณะเป็นคณิกะได้คือขณะเกิดทีฏฐิทีฏฐินีออ้อุปาทะเกิดทีฏฐินี่ตั้งอยู่ทงังคะก็ดับไปนี่เขาเรียกว่าเป็นคณิกะเล็กๆนี่อีกอย่างหนึ่งคําว่าการเขาเรียกว่าสมัยก็แปลว่าการเหมือนกันใช่ไหม ลักษณะอย่างนี้นคือการทีนี้ถ้าในอภิธรรมมัถะวิภาวดีดีกาเอาการมาพูดในปริเสติสีเหมือ น, นกันในดีกาเนี่ยมรณสนญาการเนี้ ย, ณณยคือการใกล้าตายในดีกามาพูดแล้วก็มุดฉาการคือการหลงการหลงเนีเอาขนาดไหนไม่ใช่เป็นโมหะเจตโมหจิตนะคนถึงวัยที่จะหลงนะก็เลยมุดฉาการคือการหลงเลยแต่ถ้า ก็เห็นคนหลงไหมนั่นแหละเรื่องมุชฉาการเข้าใจไหมคําว่าหลงไม่ใช่หลงทางนะว่เรื่องถ้าหลงนี่มันหลงยิงไงหลงจนไม่รู้เรื่องเป็นอะไรเป็นอะไรเลยมีหลงอถ้าลืมอย่างเราเป็นบ่อยถ้าหลงนี่ชื่อตัวเองจะไม่ได้เลยนะบางคนแก่แล้วแต่กรรมดีจิตดีดเจตสิกเขเกิดดีตลอดงี้ก็ไม่หลงพวกนี้กรรมกุศลกรรมก็ดีกุศลกรรมก็ดี ก็กลุ่มนี้ก็คือกลุ่มอากุตรกรรมเขา้าพูดอยากอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นคนหลงโดยทั่วๆไปที่บอกกินแล้วก็บอกไม่ได้กินอาบน้ำก็บอกไม่ได้อาบมันไม่ใช่ลืมปกติเลยในที่สุดจริงๆชื่อตัวเองก็จําไม่ได้ในปัจจุบันนี้เขาเรียกอะไรโรคอะไรนะก็คือนี่แหละคือหลงเนี่ยคือหลงต่อเพื่ที่หลงลืมหมดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วยังหายารักษากันอยู่ด้วยกคน แท้จริงก็ต้องแก้ไขที่ต้นเหตนแล้วสาเหตุในลําบากก็ต้องดูแลสุขภาพเปิยแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงไม่ทําไอ้ประโยคน์ข่วิบัติพกรรมวิสัญญีวิสัญญีญญภูฏการนี่คือการสลบวิสัญญีภูฏการนแล้วก็อติตรุนาการคือการที่อติตรุนาอ่อนยังเป็นเด็กอ่อนอยู่ การุณะการุณะอติการุณะคือยังอ่อนๆอยู่ยาการเหล่านี้นี่เขาเริ่มเป็นการเหมนกันมรณาสัญญาการการใกล้าตายวิสัญญีภูตการการสรุแล้วก็มุชฌาการในการหลงอติการุณะการก็คือการที่ยังเป็นเด็กอ่อนๆลักษณะอย่างนี้เขาบอกว่าถ้าอติการุณะการเนี่ยเขาดูตรงที่หัดเรีวัตถุมันยังไม่แก่ยังไม่เกิดเกิน แต่เกิดไม่มากปริมาณของกรรมชมรูปยังเกิดน้อยเกิดน้อยวิถีจิตก็เลยน้อยไปด้วยในขณนะดนั้น ท, ที่อาศัยของวิถีจิตยังยังประชุมไม่ครบไม่ครบเขาจึงเรียกว่าอัตฉรยะถูกที่กําลังอ่อนอยู่ชนะก็เกิดได้เพียงห้าทณารักษณะนี้นะแต่ถ้าไปศึกษาวิถีก็จะเริ่มรู้ว่าถ้าวิถีแรกเกิดอย่างยกตัวอย่างเนี่ยที่เห็นเนี่ย อย่างนี้เป็นอติตรุนอการเนี่ยวิธีที่เรามองกันอยู่เนี่ยวิธีแรกเนี่ยมโนชาวนาะชาวนาชาวนาห้าครั้งแล้วก็จุดติแล้วก็ปฏิส่วนที่เนี่ยอย่างนี้นะอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าการเกิดใหม่ก็เป็นแบบนี้อันนี้การจะตายก็เป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าอ่อนนะกรมชร่ฉอ่อนนี่เป็นอติตรุนการเลยอ่อนใช่ไหม Luca. อ่อนในที่นี้มันอ่อนตอนเกิดด้วยก็อ่อนตอนใกล้จะตาย หัตถเยาวตุเนี่ยมันไม่ใช่ ว, ว่าห้าเหมือนกันตอนเกิดใหม่ๆก็ชาวนะห้า 5. แต่ห้าครั้งเนี่ยเป็นโลภะก็ได้เนอะโทสะก็ได้เนอโมหะก็ได้น ะ, ะนะนะเป็นกุศลก็ได้เนะตรงนี้เป็นกามาชาวนะถามว่าถ้าชาวนะดีเห็นจะตายแบบนี้นะถ้าชาวนาดีก็ปฏิสันติก็เป็นเป็นฝ่ายดีไปเป็นมหาวิบากบ้างนะเป็นมหาวิบาก แต่ถ้าชาวนาไม่เดีย เ, เหรอไงเป็นอุเบสขาเปนติรานาอากุศลนิบาศทากิจปฏิสนธิต่อไ อ, อ้นี้ก็ดูต้องดูตรงนี้ไอ้ที่ว่าอ่อนเนี่ยเขาอ่อนแต่แบบแตกดีอ่อนแล้วเหมือนมีกำลังเนี่ยใช้คำว่าเหมือนเนี่ยเพราะว่าตัวทำปฏิสนธิให้เกิดต่อเขาเนี่ยไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาเป็นปัจจัยโดยตรง เขาเป็นในฐานะเป็นอนันตระได้สัมนันตะอนันตุโรปนิสยาณถิวิเคราะหได้นี่ยเนี่ยสติเป็นปัจจัยแก่ปฏิสัมพี่ในดบแต่ปฏิสนมพี่นั้นมีกรรมเบื้องหลังของปฏิสัมพี่นั้นคือมีกรรมกรรมที่ทําไว้ก่อนๆไม่ใช่กรรมในวิธีนี้นะแต่กรรมในวิถีนี้มีส่วนไม่มีเช่นบาปเกิดในวิถีนั้นใกล้ตายบดีอย่างเงี้ยคือไอ้ใกล้จะตายบดีเพราบาปเกิดพราบาปเกิดปุ๊บแค่นั้นแหละ ก็แม้ทําไมบาปถึงเกิดเละ่ะเปิดช่องให้บาปที่เคยทําไว้แล้วส่งผลเสร็จเลยตรงเนี้ยชีวิตที่ปุถุชนจะพลาดกันมากที่สุดจะคือตอนตายจัตที่เกิดมาเนี่ยตายมากกว่าอยู่ อ, อตายเนี่ยมากกว่าอยู่ไอ้ที่ตายตายก่อนในท้องเนี่ยทําท่าปฏิส่วนที่เราตายปฏิส่วนที่เราตายเนี่ยมากกว่าอยู่มากกว่าที่มันรอดออกมาใช่ไหมเนี่ย ที่รอดออกมาได้นี่หน้อยไอ้ที่วัดตายเยะก่อนในคันนีดๆหน่นนอยๆ อ, อ้มากโดนเบียดเบียนตายโดนอะไรตายไม่รู้ตัวเองแม่ไม่รู้ว่าลูกมาเกิดถ้าไม่ตายหลดตกล่วงไปอะไรเงี้ยมากจริงๆเลยหลุดมาได้นี่คือ น, นิดหน่อยเล้านนเด็กนอกทุกภูมิเออในกามภูมิในกามภูมิในกามภูมิเป็นส่วนใ ฉันไปทําท่าพอไปปติสันที่ปุ๊บตายเลยเดี๋ยวนั้นเนี่ยเยอะมากในปเภทนี้เลือกได้ต้องการเดี่ยวแน่นลเลื่อนเลยตรงนัน้นแน่นมากไม่ยอมตายอย่เง้บางทีโดนเขาบอกว่าท่านใน เ, เวจีขนาดไหนหรู้ไหมมีการทัดเล่าในเวจีให้ฟังนะวันก่อนไปดูในเวจีมาในรลกเขาบอกว่าไว้นี่นะไฟใน เ, เวจีเนี่ยพุ่งมาสี่ทิศเลย ไฟอย่างร้อนเลยคุ้งมาสี่ทิศนลยแต่ไม่เป็นอะไรแต่ไม่ใช่ไม่เจ็บปวดนะโอ้โหทนจริงๆไม่ยอมตายอ่ะไม่ยอมตายถ้าตายก็ยังออกไม่ได้เว้ยไม่ยอมตายบางพวกก็ทูกขทากทุกข์นั่นแหละคือคือมันไม่รู้จะคิดถึงกุศลอย่างไงโอ้โหมันถึงบอกแม่บุถุชนเอาความแน่ไม่ได้เลยทีนี้การอีกอย่างนะ โดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าสรุปก็คือว่าคําว่าปัจจุบันอดีตอนาคตนี่โดยมากทางโลกเขาจะพูดกันให้สังเกตสิเวลาคนที่ทางโลกจะพูดนะปัจจุบันอดีตอนาคตแต่ถ้าทางธรรมจะใช้คําว่าอาดีตอนาคตปัจจุบันในพระไตรปิฎกทั่วๆไปลองไปอ่านดูสิจะใช้คําว่าอาดีตขึ้นก่อนแล้วก็มาอนาคตแล้วก็มาสรุปลงด้วยปัจจุบัน ที่ใช้โดยทั่วไปจะเป็นอย่างนี้ก็อันเงี้ยหาที่มาไม่ได้เลยโดยมากกล่าวกันแบบนี้แต่ถ้าอาสังเกตไหมถ้าเรากล่าวการสามแบบนี้โดยมากเราจะกล่าวตรงไหนก่อนถ้าเป็นเราเราจะกล่าวอาดีตอนาคตปัจจุบันหรือว่ากล่าวยังไงเละไม่รู้ดิจ้จะบางคนในปัจจุบันอดีตอนาคต แท้จริงก็คือถ้ากล่าวกล่าวถูกทางธรรมเลยก็คืออดีตอนาคตแล้วก็ปัจจุบันลองไปดูในสัมมสนยานเอ่อนั่ยแหละในสัมมสในนั่นเองการขาววิจารณาวิสุทธิเวลากล่าวท่านจะกล่าวอดีตจบจากอดีตไปกล่าวอนาคตจากอนาคตก็มากล่าวการปัจจุบันการกล่าวในพระธรรมแค่กล่าวแบบนี้ถ้าคนกล่าวแบบนี้รู้เลยว่านี่คน ศึาว่าทำมาเยอะก็จะกล่าวอดีตก่อนแล้วก็อนาคตทีหลังสรุปลงท้ายด้วยปัจจุบันก็จะได้มากยึ้งปฏิสนธิการปรวัติการจิตติการกล่าวเฉพาะคนคนเดียวแล้วก็ในชาติเดียวนะที่จริงในอริธรรมมัฏตสังขาภิริเชติสี่ 4, เนี่ยมีการอยู่เพียงแค่สองคือปฏิสนธิการกับประวัติการเท่านะั้นในที่นี้เขียนจิตติการเข้าไว้ในในเนี้ย เนีน่ยเห็มีคำว่าจุดติการเข้าไว้แต่ถ้าในบริเขตที่สี่นี้ท่านจะกล่าวเพียงการสองเท่านั้นคือปฏิสนธิการแล้วก็ประวัติการนะก็ให้เข้าใจอย่างนั้นปฏิสนธิประวัติยัง น, นั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าเจท่าการศึกษาในเรื่องของการนี่นะศึกษาในเรื่องของการเราศึกษามาในชั้นของจุรโทก็ศึกษามานะ การทั้งสามที่มีถ้าแสดงในปัจฐานก็ไปอยู่ในปัญหาวรา ว, วิพังอันนั้นนีโดยสรุปก็คือว่าอัฏฐานาสันติคณิกาสมัยก็คล้ายๆกับการเป็นตัดสินระบุกล่าวกันว่าพูดในขตของการอะไรนะให้ชัดเจนแล้วก็จะได้ไม่วิวาดกันในเรื่องคำพูดทีนี้ส่วนการศึกษาในที่นี้ก็คือว่าพอจบจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ย้อนไปดู เกี่ยวในเรื่องที่ว่าจะต้องจำในวิถีสังฆาะกันเลยก็คือว่าวัตถุฉากกะทวารฉากกะอารมณ์ฉากกะวิญญาณฉากกะวิถีฉาก ะ, ากะแล้วก็วิสยาปติฉากกะหรืออัฏฐะเนี่ยนะตรงนี้ก็ต้องไปทำความเข้าใจให้ดีในการที่จะศึกษาในเรื่องของวิถีนั้นให้มีความเข้าใจทีนี้พอศึกษาในเรื่องของวัตถุทวา a อารมณ์ วัตถุเป็นต้นเหล่านี้แล้วเน่ท่านบอกว่าประเด็นที่จะต้องทำความเข้าใจลำดับแรกเลยเนี่ยในที่นี้เลยก็คือว่าเหมือนจะคำบอกว่าฉะวัตถุนี้ในคาถาที่สองเนี่ยฉะทวารานิฉะอารมณนานิฉะวิญญาณานิฉะวิถีโยฉะทาวิสยปวัตติเจติวิถีสังกเกหะฉะชักกานิเวทิตภานิก็แปลวัตถุหกทวารหกอารมณ์หกวิญญาณหก วิถีหกแล้วก็วิทยาปติหแต่ทำความเข้าใจหน่อยทำความเข้าใจอะไรบอกทำความเข้าใจในเรื่องของวัตถุหกนี่คำความเข้าใจมาแล้วคำว่าวัตถุนี่เป็นชื่อของรูปทั้งหมดเลยเป็นที่อาศัยนะถามว่าจาักขู่วัตถุเป็นที่อาศัยของอะไรจักขู่วิญญาณในจิตสองโสตวัตถุก็โสตวิญญาณในจิตสองเท่านั้นนะ ขานวัตถุก็ขานเอาวิญญาณในจิตสองพร้อมด้วยเจตสิกที่ประกอบนี่แหละอาศัยชิวหาวิญญาณนั้วัตถุก็ชิวหาวิญญาณนะจิตสองกายวัตถุก็คือกายยวิญญาณในจิตสองหาทแยวัตถุนี่เราเป็นที่อาศัยของอะไรมโนธาตุแล้วก็มโนวิญญาณธาตุเท่าไหร่จิตแปดสิบเก้าถออกจิตเหลือเท่าไหร่เจ็ดสิบเก้าดวงนั้นอาศัยหักทยวัตถุอันนี้ก็เรียกว่าที่อาศัยของจิตและเจตสิก นี่คือศึกษาเรื่องวัตถุนี่เรียนมาแล้วไงมาทวนหน่อยทีนี้พอพูดถึงทวาน <c oughs> จักรคูทวานคําว่าทวานนี่แปลว่าอะไรนีแปลว่าช่องทางแปลว่าประตูเลยใช่ไหมช่องทางของอะไรเนี่ยจักขคูทวานก็เป็นช่องทางของพระองค์ทำได้แก่จกักรคูประสาท์เหมือนกันโสตาทวานโสตาประสาส์คานาทวานคานาประสาส์ชิวหาทวานก็คือ คือมหาษากายยะทวานก็คือกายากกายประสานมโนทวานคือพระวังเละจิตสิบเก้าปัญจัตวาลข้างห้าเป็นรูปมโนทวานมีเป็นนามนีม่ต้องแยกกันแล้วเป็นช่องทางเป็นประตูเป็นทางผ่านให้กับวิถีจิตทั้งหม ด, หมดวิถีจิตที่จะเกิดก็ต้องเข้ามาสู่คลองใช่ไหมครมาเข้าสู่สู่คลองเข้าสู่มาประตูและทวานนี้ใช่ไหมต้องเข้ามานี้เหมือนอย่างว่า เป็นอย่างประตูแล้วมีคนวิ่งออกวิ่งเข้าฉะนั้นหนูแค่จริงๆนะการที่พระพุทธเจ้าบัญญัติทวา น, นั้นอาศัยอะไรเป็นเหตุการบัญญัติอาศัยอะไรอาศัยว่ามีจักรคุป萨ใช่ไหมแล้วก็มีรูปอารมณ์นั่นเลยก็มีรูปอารมณ์เลยเมื่อมีจักรคุป萨ใช่ไหมรูปอารมณ์เนี่ยเวลาจะกระทบเขากระทบอะไรบอกกระทบกับจกักรคสป萨 ทีนี้การกระทบกันของจกักขคูประสาทกับรูปอารมณ์กระทบกันเมื่อได้เหตุปัจจัยดีแล้วเนี่ยมีอะไรนะมีแสงสว่างมีจักขุประสาทดีมีรูปอารมณ์มาปรากฏเฉพาะหนะ้ามีปัญจทวารลวัชนะคือตัวมนุษยการเนี่ยแหละไอ้ตัวนี้นี่แหละก็เป็นปัจจัยให้ให้วิถีจิตเป็นต้นเป็นไปดังั้นถ้าเราดูอย่างนี้เราดูบอกอ๋อ จริงๆแล้วจักขคู่ภาษาไอที่เป็นจักขคู่ทวารโดยฐานะที่ว่าเพราะมีจักขคู่ภาษาเนะืเอพาะมีรูปารมณ์เนะ้อสองอย่างนี้กระทบกันจึงเป็นปัจจัยให้เกิดจักขคูอิญยาณเป็นต้นตรงนี้ต่างหากจึงเรียกใช้คําว่าเรียกว่าเป็นเป็นทวารหรือเป็นประตูเหมือนทางมโนทวารเหมือนกันใช่ไหมเป็นเรื่องของนามนธรรมเนะืมโนทวานเนี่ยคือพระวังทศจิตศึกเก้าเนี่ยเป็นเรื่องของนามนธรรม อุเบกขาสองมหาวิบากนแปดมหาขจาวิบาศเก้าเนี่ยในขณะที่ไปทํากิจในการเป็นมโนทวานให้กษัตริย์บุคคลนั้นๆอย่างเช่นว่าอย่างเราเนี่ยที่เป็นมนุษย์เนี่ยตอนนี้ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้อุเบกขาสันติรณจิตสองเป็นทวานตอนนี้เนี่ยยังไม่มีสิทธิ์แต่มีสิทธิ์คือมหาวิบากดวงใดดวงหนึ่งมาทําหน้าที่เป็นทวาน เราเป็นยังไงบอกว่ามีอารมณ์ไงใช่ไหมมอีอารมณ์ของเขาประจําตัวอยู่แล้วมโนเนี่ยไหมนไอ้ตัวพระวังเนี่ยเขามีอะไรมีกรรมะอารมณ์กรรมนิมิตรหรือคตินิมิตรอารมณ์นี่นแหละเป็นอารมณ์อยู่แล้วทีนี้ถ้าหากมีอารมณ์หรือถ้าจิตเหล่านั้นประวัติที่จะคิดถึงอารมณ์โอ้โหตรงนี้แ ย, ยบยนนะไอ้ทางมโนทวารเนี่ย บางทีไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์เข้ามาสู่ในปัจจุบันในเนื้อธรรมโนเนี่ยจะ ต, ตรึกน้อมเข้าไปหาอารมณ์เองเนี่ยถามว่าอยู่ๆจิตเป็นพวังอยู่เฉยๆอย่เงี้ยอะไรเนาะเป็นปัจจัยเห็นไหมปัจจัยก่อนๆเยอะในแง่ของปัจจุปนิสยปใ จ, จัยเก่าๆอัธยาศัยในการที่จะคิดเนี่ยที่จะน้อมกลับไปคิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคต หรือทั้งที่เป็นปัจจุบันไม่ได้อาศัยอารมณ์เป็นใหญ่เลยนะแต่อาศัยวิถีจิตทางมโนทวารนั่แหละเป็นใหญ่แต่ถามว่าเหมือนกันไหมเหมือนกับการผ่านไหมเหมือนผ่านพวังแท้จริงไหมถ้าบอกว่าไม่ผ่านยังได้เลยเพราะอะไรวิถีจิตเกิดหลังใช่ไ้มเกิดหลังพวังต้องดับไปก่อนไหมต้องดับไปก่อนวิถีจิตจึงเกิด แปลว่ามโนทวารละวชนะที่เป็นวิถีจิตจะเกิดขึ้นมาได้แปลว่าพวังนั้นต้องขาดไปแล้วแต่ท่านบอกว่าให้เป็นทวารเพราะท่านดับไปและเป็นปัจจัยถ้ามองในฐานะเป็นปัจจัยเห็นชัดเขาเป็นอนันตระปัจจัยไหมเป็นอนันตระปัจจัยสัมณัตระปัจจัยเป็นต้นทําให้มโนทวารละวชนะเกิดขึ้นแล้วเป็นไปลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นทวารเป็นทวารแต่ถ้าทางปัญจทวารเอารูป เอาจักรคูประสาสตโสตประสาสตร์านะประศาสตชิวหาประสาสตรและกายยะประศาสตร์มาอยู่ในฐานะเป็นทวารใช่ไหมที่อยู่ในฐานะเป็นทวารแปลว่าถ้าไม่มีจักรคูประสาสตร์ท่านผู้นั้นวิถีเกิดเกิดไม่ได้ในปัญจทวาแล้ววิถีเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีจักรคูปราศาสตรโสตประสาสตรานะประศาสชิวหาประสาสตร์และกายยะประสาทตเนี่ยเกิดไม่ได้เลยมองเห็นไหมเนี่ยอาศัยว่าเพราะมีประศาสตรเหล่านี้เป็นตัว รองรับรูปหรือกระทบกันกับรูปมีรูปเหล่านั้นมาปรากฏอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวตัวชิวหาประสาทตัวชิวหาประสาท น, น, นั้นรสนั้นเน่ยร่าสารม์นั้นต้องกระทบติดกับลิ้นเลยแปลว่าระหว่างตัวประสาทกับตัวอารมณ์เนี่ยต้องสัมผัสกันต้องคิดติดกันจึงจะสามารถชิวหาทวารลวิถีจึงเกิดต่อได้เห็นไหมมันเป็นอย่างไง ถ้าทางทวารตาอารมณ์นั้นไม่ต้องมาคิดนะแปลว่าอยู่พอประมาณคือจะต้องมีอะไรแสงสว่างเข้าได้ถ้าติดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยถ้าแสงสว่างเข้าไม่ได้แล้วหมดสิิ์แล้วทั้งๆ ท, ที่เพราะการกระทบกันของจักรุปาสาัตย์กับรูปอารมณ์ต้องกระทบแบบไม่ถึงเหมือนกับทางโสตัสศาสตราสาก็เหมือนกันการกระทบต้องไม่ถึง ถ้ถึงเลยทีเดียวไม่เป็นปัจจัยให้กับวิญญาณเกิดได้อย่างนี้จะต้องมีช่องว่างจะต้องเนื<ง>้าทางทวารหูต้องมีช่องว่างถ้าทางทวารตานี่จะต้องมีแสงสว่างรอด้มองเห็นไอย่างเนี่ลักษณะอย่างนี้ทีนี้ส่วนอารัมมณะฉกกะรูปอารม์สัตตารมณันตารมรัาสารมปุถารมและธรรมาร ม, มก็จะมองทางของธรรมารมด้วย 1 8 9 7ป2ุเก้าเจส้าุดสกลมรุ 66, รสิบหาษาทรุพ่านิพานแล้วก็บัญญัติอันนี้เป็นธรรมารมนอกนั้นรูปารมก็ได้แก่อะไรก็ชัดอยู่เลยสิ่งเหล่านี้ศึกษามาแล้วต้องนำมากล่าวอีกเพราะเพราะเป็นประโยชน์ถ้าไม่มีพวกนี้แล้วเรียนเรื่องวิถีไม่ได้เลยอายกตัวอย่างเช่นรูปารมเนี่ยรูปารมที่เป็นอติมานตารมก็มีที่เป็นมานตารมก็มีที่เป็น